หลวงปู่ดูพรมะปัญโยหลวงปู่ดูรักในหลวงมากในสมัยที่หลวงปู่มีชีวิตท่านจะกำชับให้ลูกศิษย์ของท่านอาบุญจากการภาวนารวมเข้ากับบุญของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายถวายให้ในหลวงรวมทั้งแผ่เมตตาให้เทพเทวาผู้ปกปักรักษาพระองค์ท่านให้มีความสุข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 เพราะสามสถาบันนี้เกื้อกูลให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้รับความสัปปายะแก่การปฏิบัติธรรมสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันสำหรับองค์ของหลวงปู่ดูเองนั้นตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้แม้การเวลาล่วงเลยไปหลายสิบปีกิจวัตรที่ท่านทำอยู่ไม่ได้ขาดคือการสวดมนต์ถวายพระพรแด่ในหลวงทุกวันตลอดมาขอให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญคนไทยตลอดไปหลวงปู่ดูได้กล่าวไว้อีกว่าเพราะพระเจ้าแผ่นดินท่านปฏิบัติธรรมต่อไปพุทธศาสนาในเมืองไทยจะเจริญขึ้นเพราะท่านเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างนอกจากนี้หลวงปู่ยังกำชับให้แผ่เมตตาให้ประเทศชาติดังเช่นการอธิษฐานช่วยประเทศชาติของหลวงปู่เกษมเขมโกสุสาไรไตรลักษณ์ซึ่งหลวงปู่เกษมจะมีคาถากำกับด้วยว่า รัฐปาลาสมักขาสาัทธาโหนตุกประวัตยิย่อหลวงปู่ดูพรหมปัญโยตอนทารกท่านพลัดตกน้ำแต่อัศจรรย์ท่านไม่จมและลอยไปติดอยู่ข้างรัว้วจึงเชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดได้ออกบวชเมื่ออายุ21ปี ปีพุทธศักราช2468สนใจศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติเดินทางหาความรู้จากพระอาจารย์หลายท่านหลายจังหวัดเริ่มออกธุดงในปีพุทธศักราช2486หลวงปู่ดูเป็นผู้มีเมตตาสูงมากเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในวงกว้างการสอนศิธิ์เน้นการภาวนาเป็นหลักและมีรูปแบบการภาวนาอีกแบบด้วยการสวดมนต์คือบทสวดจกกักรพรรดิ เป็นกูสโลบายเพื่อให้คนมาใหม่ได้ฝึกภาวนาที่ทำได้ง่ายในเรื่องของวัตถุมงคล น, นั้นการที่ท่านสร้างหรืออนุญาตให้สร้างก็เพราะเห็นว่าบุคคลจานวนมากยังขาดที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจจิตยังไม่มีกําลังพอจะยึดหลักธรรมะเพียงอย่างเดียวต้องอาศัยวัตถุเป็นเครื่องระลึกเครื่องกระตุ้นด้วยท่านเคยพูดว่าติดวัตถุมงคล ยังดีกว่าที่จะไปให้ติดวัตถุอัปมงคลแต่สิ่งที่ท่านยกไว้เหนือกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลนั้นก็คือการปฏิบัติการภาวนาที่เป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางของขลังบางคนมาหาท่านเพื่อต้องการของดีเช่นเครื่องรางของขลังมักจะได้รับคำตอบจากท่านว่าของดีนั้นอยู่ที่ตัวเราพุทธังทำมังสังคังนี่แหละของดี คนเราต้องทำให้ดีเมื่อดีแล้วจึงรวยแล้วจะได้ไม่สวยพระจะดีต้องหมดอยากถ้ายังอยากอยู่ก็ไม่ใช่พระดีสุขภาพหลวงปู่เริ่มอ่อนล้าลงมากเพราะพักผ่อนน้อยและมีภารกิจมากในวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2533ท่านได้พูดว่า ไม่มีส่วนใดในร่างกายที่ไม่เจ็บปวดเลยถ้าเป็นคนอื่นคงเข้าห้องไอซไปนานแล้วพร้อมทั้งพูดหนักแน่นว่าข้าจะไปแล้วนะหลวงปู่ดูได้กล่าวโอวาทครั้งสุดท้ายไว้ว่าถึงอย่างไรก็ขอให้อย่าได้ละทิ้งการปฏิบัติได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติก็เหมือนนักมวยขึ้นเวทีแล้วต้องชก อย่ามัวแต่ตั้งท่าเงอะเงอะงะงะคืนนั้นหลวงปู่กลับเข้ากุฏิและมรณภาพในเวลาประมาณนหนาฬกาวันที่17มกราคมปีพุทธศักราช2533ยสิิริอายุหลวงปู่ดูพรหมปัญโย85ปี8เดือนรวมเวลาที่บวช6 5พันษา